ท่นิสิตนักศึกษาและครูบาอาจารย์ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ ในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> คือว่ามันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายการมานี่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายผู้มาก็ได้รับประโยชน์เป็นความรู้เป็นตน้น <c oughs> วัดก็ได้รับประโยชน์ โดยอ้อมคือได้ทำประโยชน์ไม่เป็นหมันวัดเนี่ยจะขอบใจท่านทั้งหลายผู้มาเสียอีก <c oughs> ว่าทำให้วัดนี่มีประโยชน์ไม่เป็นหมันท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบใจวัด <c oughs> ทางอื่นอีกก็ว่า การศึกษาธรรมะและปฏิบัตินี่เป็นประโยชน์แก่มหาชนในโลกทั่วไปเพราพ่อเมื่อพระศาสนายังอยู่ <c oughs> มีผู้เรียนผู้ปฏิบัติผู้ได้รับผลของการปฏิบัติโลกนี้ก็มีสันติสุขที่นี้ยังจะเป็นประโยชน์ แก่ศาสนาเอง <c oughs> คือศาสนาไม่สาบสูญไปเสียยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> เนี่ยคือประโยชน์ที่จะพึงได้มีอยู่อย่างนี้ก็นับว่ามากหลายนะขอท่านทั้งหลายทำให้สำเร็จประโยชน์เรามันนั่งกันกลางดิน นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องกําหนดไว้ในใจ <c oughs> ข้อแรกก็ว่าธรรมะนี่มันเกิดกลางดินเพราะพระพุทธเจ้าท่านประสูตรกลางดินท่านสัตรูกลางดินท่านซ้อนก็กลางดินท่านอยู่กลางดินท่านนิพพานคือตายก็กลางดิน มันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านสอนกลางดินโดยส่วนใหญ่พระไซปิโดกนีน่เป็นสูตรทิฏฐิาการเหมือนนั่งจักรกลางบินเพราะว่าธรรมสาลาก็กลางดนินจะได้ทุกน้นทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนแผ่นดินจึงเป็นที่เกิดของธรรมะ เรามันนั่งกันกลางดินมันก็ควรจะพอใจเป็นพิเศษ <c oughs> ยิ่งกว่าที่จะนั่งเรียนศึกษากันบนตึกราคาแพงอย่างที่มหาวิทยาลัยเป็นต้นเ <c oughs> <c oughs> มื่อนั่งกลางดินมีจิตใจอย่างไร ขอให้กำหนดไว้ดีๆถ้าไปนั่งบนตึกเรียนมีจิตใจอย่างไรก็จะได้กำหนดเพื่อเปรียบเทียบกันดูและจิตใจชนิดไหนที่เหมาะสำหรับจะศึกษาและปฏิบัติธรรมะขอ้อนี้ก็จะรู้ได้เองถ้ามีจิตใจตำ่ำอะไรกั การมีการเป็นอยู่ต่ำแลจิตใจมันก็ไปสูงถ้าอยู่สูงจิตใจมันก็ไปต่ำ <c oughs> ควรจะกาหนดข้อนี้ไว้ด้วยจะได้พยายามเป็นอยู่อย่างต่ำอย่างง่ายอย่างถูกที่สุดถ้าเป็นอย่างพระสาวกแล้วก็เป็นอยู่อย่าง ไม่ต้องใช้เงินเลยนี่เป็นต้น <c oughs> ขอให้ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เรื่องเหล่านี้เป็นต้นไป <c oughs> ที่นี่เรื่องที่จะพูดกันวันนี้เท <c oughs> ่าที่ได้รับทราบมาเป็นความประสงค์จะให้พูดเรื่อง แนวการปฏิบัติือการเป็นอยู่ของพุทธบริษัท <c oughs> สำหรับจะได้ดำเนินตามเนื้ามาก็จะขอตั้งชื่อสมัยสำหรับการบรรยายในวันนี้ว่าจะบรรยายเรื่องรอยของพระธรรม ร่องรอยของพระธรรม <c oughs> ขอให้พยายามทำใจกําหนดฟังให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นการลำบากอยู่ในการที่จะพูดเรื่องในเรื่องหนึ่งและมีผู้ฟังชนิดที่แตกต่างกันมาก ระดับหนึ่งเป็นสิทธิระดับหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ห <c oughs> รือยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ก็มี <c oughs> มันก็เป็นการญาติที่จะพูดประโยคเดียวคําเดียว <c oughs> ให้เหมาะสมด้วยกันทั้งสองฝ่าย <c oughs> ดังนั้นจะต้องคอยกําหนดเอาเอง <c oughs> กําหนดเอาใจความเป็นสําคัญ จานวนที่พูดคำที่พูดนั่นก็ไม่สําคัญอะไรนักสําคัญอยู่ที่เนื้อหาของเรื่องที่พูดขอให้กําหนดให้ได้ตามภูมิแห่งสติปัญญาของตนของตน <c oughs> ที่ว่าจะพูดเรื่องร้อยของพระธรรมนั่น ก็หมายความว่ารอยนี่หรือพระธรรมนี่เป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดําเนินไปแล้วได้ดําเนินไปแล้วท <c oughs> รอยแห่งการดําเนินไปแล้วนั่นอ่ะมันมีอยู่ <c oughs> สําหรับพวกเรา <c oughs> <c oughs> จะต้องเดินตาม แม้ว่าจะลำบากบ้างถึงขนาดที่เรียกว่าแกะรอยก็ยังเป็นการสมควรอยู่นั่นเองที่จะกระทาให้สำเร็จประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็ได้จัดในทํานองอย่างนี้ <c oughs> คือว่าทางเดินเก่าท่านเรียกว่าทางเดินเก่า คือทางที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยเดินไปแล้วพระรหัน์ทั้งหลายได้เคยเดินไปแล้วพระอเยสวง์ได้เคยเดินไปแล้วทางเดินเก่ายังมีร่องรอยพอที่จะกําหนดได้ไม่เหลือวิสัยทั้นท่านตรัสว่ายอย่างไร <c oughs> เราก็ควรจะ <c oughs> กําหนดซึ่งเป็นเสมือนการ เดินตามเดินตามไปไหนจุดหมายปลายทางของพระธรรมหรือของคุณมัจรร์หรือของศาสนาหรือของการปฏิบัตินี่ก็คือความดับทุกข์ <c oughs> สิ้นเชิงจุดหมายอยู่ที่นั่น และที่สำคัญที่สุดก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสยืนยันว่าแต่ก่อนก็ดีเดียวนี้ก็ดีฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าเราอย่าเอาอะไรมันมากไปกว่านั้นมันยุ่งกับเราแหลมันเสียเวลาเปลเราแหะ เรื่องที่แตกตื่นฮือฮาเกินตระเิดเปิดเปิงไปอย่างนั่นอย่างนี้เป็นเรื่องวิจิตพิสดารแปลกประหลาดก็มีมากถ้ามันไม่ดับทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเดชตรัสไว้ให้เราท่านตรัสว่าปล่าแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ ทำไมต้องพูดถึงความทุกข์ <c oughs> ก่อนมันต้องดูให้เห็นว่ามีความทุกข์กันเสียก่อนถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาอะไรคนเรานี่อย่าวดดีไปถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะขอให้คิดด้วยดีๆ <c oughs> มันจะต้องมีปัญหาคือตัวความทุกข์เราพยายามที่จะดับความทุกข์นั่นเสีย คนบางคนอาจจะเคล้าไปรู้สึกว่าไม่มีความทุกข์อะไรพอใจทุกอย่างหรือว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างก็ทำไมรู้ไม่ชี้เสีอย่างนี้ก็มีคนบางคนยังมีแปลกไปกว่านั้นอีกคือเขาพูดว่าถ้าเป็นคนธรรมดา ปกติธรรมดาก็ต้องมีความทุกข์สิถ้าไม่มีความทุกข์เลยก็เป็นคนผิดปกติผิดปกติในในในความหมายที่ว่า น, น่ารังเกียจติเป็นแอปนอมอลมันเป็นคนผิดผิดปกติเหมือนกับคนบ้าคนบอคนอะไรอย่างนี้นถ้าไม่มีความทุกข์เลยพวกนั้นเขาเห็นเราเป็นเรื่องผิดปกติเราไม่เอา <c oughs> เราจะเอาแต่ปกติคือมีทุททกข์บ้างสุขบ้างทุกคล้าวกันไปอย่างนี้ก็มีอยู่เพราะนั้นว่าไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องอย่างนี้เรายังมีปัญหาที่เป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจทรมานจิตใจรบกวนจิตใจ <c oughs> แม่ที่สุดแต่ว่าทำจิตให้หมุนมองก็เรียกว่าความทุกข์แม่ที่สุดแต่ว่ารำคาญในตัวชีวิตนี้เองมันช่างไม่ได้อย่างใจไปเสียทุกอย่างมีความรำคาญกับชีวิตนั่นนี่ก็ต้องเรียกว่าความทุกข์ด้วยเหมือนกันมันต้องไม่มี <c oughs> ถ้าไม่มีจะดีไหมหรือจะเมื่อกับคนนั้นว่า เป็นมนุษย์ต้องมีความทุกข์ <c oughs> เรื่องนี้ตามหลักของศาสนาถือว่าเราจะต้องพยายามให้ถึงที่สุดสิ้นแห่งความทุกข์มีความสิ้นสุดลงแห่งความทุกข์ก็มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเพราะมีความทุกข์นั่นแหละ ความเป็นมนุษย์ของเราจึงไม่เต็มถ้ามีความทุกข์มากเท่าไรก็เรียกว่าความเป็นมนุษย์มันพร่องมากเท่านั้นความทุกข์น้อยลงไปเท่าไรความเป็นมนุษย์ก็มีมากขึ้นเท่านั้นความเป็นมนุษย์เต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นเพราะดับทุกข์ลดลงไปลดลงไปพอดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ความเป็นมนุษย์ก็ถึงที่สุดนี่ฝรั่งเขารู้มาอย่างไรก็ไม่รู้มันเขาแปลคำว่าพระอระหันนี่ยเป็นที่ถูกใจมากคือเขาแปลว่า the man perfected คือพระอรหันนั่นแหละเป็นคนที่เต็มมนุษย์ที่เต็มคือเป็นพระอระหรัน <c oughs> พูดยังไม่เกี่ยวกับศาสนา ก็พูดตามความรู้ทั่วไปตามหลักทั่วไปไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ได้ <c oughs> ว่าเป็นพระอรหันต์นั่นะคือมนุษย์ติดเต็มไอ้คำนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจคือเป็นคำเก่าแก่ดึกดาบันก่อนพุทธศาสนานู่นก่อนมีพุทธศาสนาเก็มีคำว่าอารหันต์อรหรนันต์ในช่ยกันอยู่แล้วละ นั่นเขาก็หมายถึงมนุษย์ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนะะแต่มันก็ยังไม่ประเสริฐจริงมันประเสริฐเท่าที่เขารู้เท่าที่เขาคิดได้เขาก็ยกให้เป็นพระอราหันต์ไปพระพุทธเจ้าไม่ทรงพอประชัยในความเป็นพระอราหันต์เพียงเท่านั้นท่านก็จัดเรื่องความดับทุกข์ ให้มากยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนดับทุกสิ่นเชิงแล้วก็เรียกว่าพระอระหันต์นี่เรียกว่ามนุษย์ที่ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์เ้าจะเอาหรือไม่เอาก็ก็ลองคิดดูไม่เอาทั้งหมดเอาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีถมไป คือดับทุกได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีถมไพ่เอาล่วเป็นั้นว่าเราต้องการกันละเดี๋ยวนี้บางคนไม่เอาบางคนเอาน้อยบางคนเอามากเกินไปบางคนจะเอาอะไรมันมากเกินไปกับชีว mm ิตนี้อย่างนี้ก็ก็มีอยู่ มันจะต้องกันที่แน่นอนกันเสียก่อนว่าเราจะเอาอะไรกันบ้างกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่ <c oughs> ถ้าให้เลือกเอาตามชอบใจดูจะไม่สิ้นสุด <c oughs> กระทั่งเอาสิ่งที่รงกันข้ามตระเลยเปิดเปิงออกไปไม่ควรจะเอาเ <c oughs> มันอย่างเดียวนี้ขอให้ทุกคนมองดูตัวเอง มองดูผู้อื่นหรือมองดูเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกว่านะเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไร <c oughs> คือเขาต้องการมากเกินไปกว่าความดับทุกข์จนเรียกได้ว่าต้องการจนเป็นบ้าต้องการเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอร่อร่อยเรื่องสนุกสนานเรื่องอำนาจวาสนานเรื่องอะไร <c oughs> สารพัดอย่างกระทั <c> ่ง <oughs> ต้องการสวรรค์ มากกว่าต้องการความดับทุกข์ความดับทุกข์ไม่ค่อยมีความหมายสนหรับคนจําพวกนี้ไอสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ตามความคิดนึกของเขาเน่ยมีความหมายมากดังนั้นเขาจึงกระเดเปิดเบิงในความต้องการเรื่องความดับทุกข์ไม่สนใจสนใจที่จะมี รถยนต์ราคาแสนราคาล้านต้องการบ้านราคาหลายสิบล้านต้องการอะไรอย่างนั้นจนไม่มีที่สิ้นสุดเห็นเป็นเรื่องดีกว่าความดับทุกข์หรือคิดว่าถ้าถึงนั่นแล้วมันจะไม่มีความทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่คิดผิดทั้งสองอย่างหล มันอยู่ที่จิตใจวางไว้ถูกหรือวางไว้ผิดมันจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจวางไว้ถูกหรือวางไว้ผิดให้มันร่ารวยเป็น <c ười> มีรถยนต์ราคาล้านๆต่างหลายคันมีบ้านราคาร้ า, านสิบล้านทัางหลายบ้านมีอะไรเต็มไปหมดตามตามอัตรานั่น <c ười> ถ้ามันตั้งใจไว้ผิดเท่า น, นั้นแหละมันก็เป็นทุกข์มันก็ตกนรกเลย ที่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ถ้าตั้งใจไหวถูกมันจะไม่มีความทุกข์เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันถ้าจะพูดถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ขอให้เป็นเรื่องของความดับทุกข์ให้มันถูกต้องนี่เรามาคำนวณค่ายครวนกันดูให้ดีถ้าอยังไรเราต้องการกันแต่พอเหมาะพอดี เรียกว่าต้องการชีวิตชนิดที่ไม่มีความทุกข์เลย응แล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพียงเท่านี้เอาไหมตกลงไหเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มีชีวิตชนิดที่ไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เลยก็หมาย <c oughs> ความว่ามันเย็นไม่ร้อนไม่เป็นทุกข์แล้วก็อิม่มคือไม่ต้องการ ความพอใจมาแต่ความอิ่มเมื่ออิ่มมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันอยากมันหิวมันก็มีความทุกข์เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่าจะอยากควรอยากอะไรไม่ควรอยากอะไรอิ่มคืออิ่มอย่างไรไม่รู้กันไปเสียทั้งนั้นมันเอาความหิวมาเป็นความอิ่มมากลับกันเสียกันได้ เป็นความสุขชนิดหัวมังกรท้ายมังกร เ, เรื่องความบ้าลังในเรื่องวัตถุภุ่มเปลยพุวงเฟ้อนะว่าเป็นความสุขอย่างนี้ก็มีในความอิม่มคำนี้สำคัญมากบาลีเรียกว่าตุธิตุธิที่มาเป็นคำ ว, ว่าสันโดษสันโดษ ยินดีพอใจนะตุถิแปลว่าความอิ่มไม่มีใครจะเป็นคนอิ่มนอกจากพระอาหารหันพระอาหารหันไม่มีความต้องการไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ต้องการไม่มีอวิชชาสำหรับไปคิดว่าจะต้องการอะไรท่านก็ไม่มีความหิว <c oughs> ในบาลีกล่าวว่แปลกมากคือในบางสูตรกล่าวเรื่องการหมดจดสิ้นสุดของกิเลสกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มีประโยคหนึ่งว่าความอิ่มของท่านถึงที่สุด <c oughs> นี่มีว่าอย่างนี้ความอิ่มของท่านถึงที่สุด <c oughs> ถ้ายังไม่เป็น พาาระอรหันต์ก็ยังมีหิวไม่อย่างได้ก็อย่างหนึ่งโดยตรงโดยอ้อมอโดยเคลนรับ โ, โดยเปิดยี่ก็ตามใจอ่ะความอิ่มยังไม่สมบูรณ์นี่คาว่าสันโดษสันโดษนี่ของพระอรหันต์เท่ า, าทนั้นะที่จะสมบูรณ์ของคนทั่ ว, วไปอ่ะมันก็สันโดษกนันแกนไปอย่างนั้นแหละบางทีก็สันโดษเพราะมันหาไม่ได้คือมันไม่รู้จักทําจิตใจให้พอใจให้หยุด มันก็สันโดดไม่ได้ในความอิ่มนั่นแหละเป็นชื่อเดียวกันกันกบความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ดับสิ้นสุดแห่งความทุกข์ก็เป็นความอิ่มเรียกสมมติอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นความสุขเป็นความสุขเรื่องความสุขนี่รู้จักกันไหวดีๆ มันมีอยู่สองชนิดนะซึ่งมันหลอกลวงได้มากความสุขชนิดหนึ่งเกิดมาจากการที่กิเลสได้เหยือ่อกิเลสได้เหยือ่อมีเหยื่อให้กิเลสกินกิเลสก็พอใจแล้วก็เป็นความสุขนี่ความสุขชนิดนี้เกิดมาจากการที่กิเลสได้เหยือ่อตามที่มันต้องการทีนี้ความสุขอีกชนิดหนึ่ง เกิดมาจากการที่ไม่มีกิเลสหรือกิเลสไม่ไม่ต้องได้เหยื่อกิเลสไม่ไม่ต้องได้เหยื่ อ, ก, อ, อกิเลสถูกทำให้หมดไปให้ลดไปให้หายไปหรือจะพูดใกลๆใกล้ใกล้ใกเคียงกันก็ว่าเมื่อเมื่อกิเลสไม่ต้องการกินเหยื่อเมื่อกิเลสไม่หิวไม่มีกิเลสจะหิวเมื่อ น, นั้นเป็นความสุข ความสุขอย่างที่หนึ่งเมื่อกิเลสได้กินเหยือ่อความสุขอย่างที่สองก็เมื่อไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเหยื่อให้กิเลสกินจิตไม่มีกิเลสจิตก็สงบร ง, งับก็เป็นสุขมาทางนี้ทางที่ไม่ต้องมีกิเลสตั้งแตกินเหยือ่ออีกทางหนึ่งกิเลสต้องได้เหยือ่อทางที่กิเลสต้องขัดที่จะรู้สึกเป็นสุขนั่นแหะคือคนทั่วไปหรือบุถุชน <c oughs> ต้องการเหยื่อแห่งราคะโทสะโมหะอย่างที่รู้จักกันดีอะไรเป็นความสนุกเสนานอเด็ดอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางนั้งเป็นความเพลิดเพลินหลอกลวงนี่แหละเป็นเรื่องที่กิเลสได้เหยื่อแล้วก็เห็นว่าเป็นความสุขนี่เป็นเรื่องของบุตรชนขอพูดลุกล้ำไปสักหน่อยว่า ทุกคนในโลกมันจะเป็นเสี้ย่างนี้ที่อ s a h a เล่าเรียนอย่างนักเรียนนักศึกษาก <c oughs> ็เพื่อจะได้ทำงานชนิดที่ได้เงินมากแล้วก็ไปซื้อหาสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเรียนเพื่อได้เงินมากเพื่อได้เอาเงินไปซื้อหาเหยื่อหล่อเลี้ยงกิเลสก็ได้ความสุขชนิดที่กิเลสได้เยื่อ เป็นความสุขสนุกสนานอาจจะลอยไปตามแบบนั้นันจะเป็นกันเสียทั้งโลกทีนี้ควรจะรู้ในสิ่งส่วนที่ตรงกันข้ามกันว่าจะบ้างว่ามันมีอีกอันหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามคือไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องการเหยื่อเรื่องทั้งหมดมันมีแต่จิตยืนอยู่เป็นประธานจิตเนี่ยเป็นกลางกลางยืนอยู่เป็นประธาน <c oughs> ถ้าจิตปรุงแต่งเป็นกิเลสมีกิเลสครอบงำจิตก็กิเลสครอบครองชีวิตมันก็เป็นไปตามนาจของกิเลสทถ้าจิตไม่มีกิเลสมีแต่วิชาปัญญาโพธิเหล่า น, นี้ไม่มีกิเลสมันก็วิชาหรือโพธินี่ครอบงำชีวิตชีวิตมันก็เป็นไปตามแบบของอปัญญา โพธิจึงตรงกันข้ามกับกิเลสฝ่า <c oughs> ยหนึ่งเรียกว่ากิเลสมาจากความโง่ฝ่า <c oughs> ยหนึ่งเรียกว่าไม่มีกิเลสมาจากโพธิคือความฉลาดถ้าจิตเป็นกิเลสมันก็ต้องการเหยื่อของกิเลสถ้าจิตมันเป็นโพธิมันก็ไม่ต้องการเหยื่อของกิเลสมันเกี่ยบขยะขย้่งมันกลับเกลียดชังขยะขยั่งไอเหยื่อของกิเลส มันก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งนั่นเรารู้จักกันเสียให้ดีๆว่ามันมีความเป็นไปหรือข้อเท็จจริงในชีวิตนั่นเป็นอย่างนี้ื่อจิตปรุงเป็นกิเลสเป็นจิตมีกิเลสก็ไปตามแบบของกิเลสจิต รูปเป็นโพธิมีโพธิอยู่กับจิตมันก็เป็นไปตามแบบของโพธิโพธิโพธิคือปัญญาคือความรู้ไอ้สิ่งที่ควรจะรู้นั้นถ้าเราจะศึกษาชนิดที่เป็นประโยชน์แท้จริงก็คือศึกษาให้เกิดโพธิชนิดที่จะไม่เกิดกิเลสการศึกษาอย่างอื่นร้อยอย่างพันอย่างก็ตามใจละมันไม่สู้การศึกษาชนิดที่จะไม่เกิดโพธิได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ในโลกมันก็ศึกษาเพื่อพร้อมที่จะไปรับใช้กิเลสกันเสียมากวิชาที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหลายก็เพื่อใช้รับใช้กิเลสกันเสียเป็นส่วนมากเพื่อใช้วิชานั้น <c oughs> ผลิตสิ่งที่เป็นเหยื่อแก่กิเลสหรือเป็นอุปกรณ์ก็จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกิเลส <c oughs> มีความทุกร้อนเราจะทากันอย่างไร นี่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดด้วยดีๆ <c oughs> เอาละทีนี้ก็จะพูดถึงรอยของพระธรรมมีอยู่เป็นระบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันเป็นระบบครบถ้วนสมบูรณ์เรื่องของพระธรรม <c oughs> แต่ว่าใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ากำจัดกิเลสกำจัดกิเลสอย่างเป็นระบบการสอนธรรมะหรือการศึกษาธรรมะมันมีอยู่เป็นสองชนิดคือว่าอย่างฉาบช่วยไม่มีระบบนี่ก็พวกหนึง่งอย่างมีระบบครบถ้วนนี่ก็อีกพวกหนึง่ง <c oughs> พวกที่สั่งสอนอย่างฉาบช่วยไม่มีระบบก็คือ พูดไปตามความคิดนึกชั่วกันน่ะพูดอะไรออกมาสักประโยคนึงมันน่าฟังมันก็ยึดถือกันไป <c oughs> เป็นใหญ่เป็นโตเป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งเป็นอะไรไปแต่ไม่มีระบบตายด้านไม่ไม่ถึงกระดับทุกได้ถ้าพูดยังมีระบบคือมันครบถ้วนในทุกแง่ทุกมุมจะมองเห็นได้ชัดเจนว่า มันจะไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างไรดังนั้นขอให้ทุกคนศึกษาธรรมะเนี่ยอย่างมีระบบแต่ก็ไม่ต้องเกินขอบเขตต้องไม่เกินเกินไม่ต้องเกินไม่ต้องมีส่วนเกินเท <c oughs> ่าที่เป็นระบบนี่มันก็ไม่เกินถ้าถ้าเกินก็ตัดออก ให้ระบบมันสั้นขึ้มาให้มันน้อยขึ้มาให้พอดีสำหรับที่จะดับทุกข์ได้กันแล้วกัน <c oughs> ที่นี่ที่เรียกว่ารอยของพระธรรมนี่นี่ก็เป็นรอยของบุคคลที่ชนะกิเลสได้แล้วเอาชนะกิเลสได้แล้ว <c oughs> มีรอยเหลืออยู่ทั้งอย่างที่เป็นหลักวิชาก็มีเรียนกันอยู่ที่เป็นหลักปฏิบัติก็มีการปฏิบัติกันอยู่ส่วนผลของการปฏิบัตินั้นก็มีตามส่วนมีการปฏิบัติถูกต้องที่ไหนก็มีแการบรรลุผลที่ดีที่สุดอยู่ที่นั่น อย่างที่พระพุทธเจ้าสัตว่วาถ้าจะเป็นอยู่โดยชอบแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอราหันต์ท่านตรัสว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอาหารหัน <c> ต <oughs> ์เข้ามาเป็นอยู่โดยชอบน่นะสนใจดีๆจะเป็นบาลีก็จะสัมมาวิหาร เป็นคำกริยาวาสส ม, มาวิหารยุง่งถ้าอ ย, อ, อยู่กันโดยชอบแล้วสุญโยโลโกะทันเตอัสระโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอระหรันต์ที่อย่างไรเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบ <c oughs> กำปันทุกดินก็เป็นอยู่อย่างไม่มีผิดพลาดผิดพลาดคือเป็นเหตุให้กิเลสเกิดขึ้นหรือส่งเสริมกิเลส <c oughs> ถ้ามันไม่มีทางให้กิเลสเกิดแล้วเป็น เครื่องกำจัดกิเลสก็เรียกว่ามันเป็นอยู่โดยชอบโดยส่วนใหญ่โดยหลักในระบบก็หมายถึงอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละเป็นอยู่อย่างอริยมรรคมีองค์แปดก็เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่อย่างนั้นถึงที่สุดแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ เรื่องอมักมีองแปดนี่เข้าใจว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟังมาแล้วบางคนท่องได้จำได้สวดได้ถ้าใครยังไม่จำได้จำไม่ได้ยังไม่ไมรู้นี่ช่วยเรียนรู้เถิดเป็นสิ่งสูงสุด ในฐานะเป็นตัวพุทธศาสนาเป็นเนื้อเป็นตัวของพุทธศาสนาเป็นหัวใจด้วยเป็นทั้งตัวทั้งหัวใจของพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหนความถูกจ้องแประการ น, นั่นแหละเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบจะ <c oughs> มีคำชนิดเทียบสั้นมาก ซึ่งเป็นซึ่งถือเป็นหัวใจของสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานทั้งสี่ไม่จะจัดจะตรัสไว้อย่างยืดยาวเท่าไรก็ตามสวดกันหลายชั่วโมงก็มีคำที่เป็นใจความสั้นๆเป็นประโยคสั้นๆว่า สัมปชานโนสติมาวินยะโลเกอพิชาโทมนัสสังนี่บางทีก็สตโตสัมปชานโนวินัยะโลเกอพิชาโทมนัตสังไม่จำก็ได้บาลียุ่งๆนี่แต่ใจความเป็นภาษาไทยสั้นๆก็คือว่ามีสติ สัมปชัญญะนำอาภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ซ้ำมีสติสัมปชัญญะนำอาภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขอซ้ำอีกทีหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้จด มีสติสัมปชัญญะนำมาพิชชาและโทมนัสในโลกออกจะได้นี่คือเป็นรอยพระธรรมที่สั้นสั้นที่สุดชัดเจนที่สุดเป็นรอยที่หลงไม่ได้จะ <c oughs> เป็นรอยที่ว่าเราจะเดินตามกันได้โดยไม่ยากอยู่ในวิสัยที่เราจะปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนมีสติสัมปชัญญะ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้ปฏิบัติเพียงคราวนี้จะไปถึงความดับทุกข์สิ้นเชิงไม่รู้เรื่องอภิชาและโทมนัสซึ่งมีอยู่ในโลกอภิชาคือส่วนที่น่ารักนะ่าพอใจทำให้อยากได้ มีมากอย่างไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่าง <c oughs> โทมนัสคือสิ่งที่ทําให้ขัดใจขัดแค้นเกิดเคืองไม่เป็นสุขนี่เรกว่าโทมนัสบาลีเรียกว่าอาภิชาเลยโทมนัสเรามาเรียกเป็นไทยๆกันดีกว่าว่าความยินดียินร้ายอภิชาความยินดีโทมนัสความยินร้ายมีอยู่ในโลก แล้วก็นำออกจะได้ซึ่งอภิชาละโทมนัสโดยเป็นคนมีสติสัมปชัญญะทำอยู่อย่างนี่เท่านั้นนั่นแหละคือการเดินตามรอยพระธรรมเดินตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพระอรหันต์เดินอยู่ในรอยของพระธรรมอย่างยิ่งแต่มันก็มี เรื่องที่จะต้องศึกษาหรือคำอธิบาย <c oughs> เราอยู่ในโลกนี้ถูกรบกวนถูกกระชากลากถูหรือว่าถูกตบหน้าก็ได้เสไปเสมาอยู่ด้วยเรื่องสองอย่างนี้หรือของสองอย่างนี้ คืออภิชาเรตัวมันนัดบางเรื่องมาทามห้ยินดีบางเรื่องมาทามาทห้ยินร้ายที่ทำายินดีนั้นไม่ใช่ความสงบมันก็เสียสมดุลเป็นบวกถ้ายินร้ายมันก็ทำให้เป็นทุกข์ทรมานมันก็เสียสมดุลแลละมันเป็นลบถ้าเป็นพุทธศาสนา ต้องอยู่ตรงกลางที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทานมันอยู่ตรงกลางมันไม่บวกมันไม่ลบเดี๋ยวนี้เราไม่มีสติสำหรับชัญญาพอคือบางทีเราจะไม่รู้จกักเลยซ้ำไปตั้งแต่เกิดมาในโลกนี่เราไม่รับการสั่งสอนเรื่องนี้แต่แล้วเราก็ได้เพิ่ม รากเง้าของกิเลสหรือต้นตอของกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเรื่องนี้อาจจะแปลกสำหรับบางคนแต่ที่จริงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดเมื่ <c oughs> พอเราเกิดมาจากท้องแม่ซึ่งเมื่าอยู่ในท้องแม่หรือมาเกิดมาใหม่ๆนัมันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่มจิตใจที่เกลี้ยง <c oughs> แต่พอทารกนั่นรู้จักกินนมรู้จักกินอาหารรู้จักให้ต่างๆมันก็เกิดในความรู้สึกใหม่ๆอันแรกก็คือพอใจอย่างว่ากินนมอร่อยก็พอใจก็เกิดความคิดปรุงแต่งไปตามความพอใจใบางเวลาไม่ได้กินบางเวลาอ <c oughs> เขาไม่ให้กินบางเวลามันมีเรื่องอื่นมาขัดขวาง ม, มันก็โกรธก็ยินร้าย เงียยินดียินร้ายที่นี่ความยินดียินร้ายซึ่งเป็นความรู้สึกเท่านั้นะที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันทําให้เกิดความรู้สึกมันเลวร้ายที่สุดต่อไปอีกคือความรู้สึกว่าตัวกู้ในฉันแรกมันรู้สึกเป็นตัวกู้ รู้สึกแต่ว่าพอใจหรือไม่พอใจอร่อยหรือไม่อร่อยมีความอยากในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจมีความอยากจะทำลายสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจ <c oughs> เพราะมันมีความอยากความต้องการซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกเท่นั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นความโง่ของจิตชนิดหนึ่งเท่านั้นใน <c oughs> ความโง่ชนิดที่เป็นความอยากความต้องการเกิดขึ้นแล้วมันก็ปรุง ให้เกิดความรู้สึกประเภทตัวกู้ที่จะได้มาเป็นของกูมันก็เลยเป็นกูเนกก้เนี่ยอยากกู้ในต้องการกูจะเอามาเป็นของกูเนี่ยความเลวร้ายถึงที่สุดที่เรียกว่าตัวตนได้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> โดยที่เด็กทารกนั่นไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็ไม่หยุดมันก็มีเรื่องที่ทำให้เกิดรู้สึกจะเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นเด็ก โตขึ้นมาเป็นเด็กเดินได้วิ่งได้เป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กหนุ่มสาวอะไรก็ตามมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดวามรู้สึกยินดียินร้ายเมื่อยินร้ายกูก็ยินร้ายเมื่อยินดีก็กูยินดีเลยก็มากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดเป็นความทุกข์ถึงที่สุดตามเรื่องราวที่กล่าวไว้ ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะถ้ายังไม่เคยรู้เรื่องก็ควรจะสนใจมาศึกษาเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท <c oughs> โดยย่อก็มีว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วข้างนอกเรามีรูปเสียงลินรสกฎตาภาธรมมารมุมข้างไหนก็หกข้างนอกก็หกมันจับคู่กันพอดีเป็นหกคู่ ยกตัวอย่างเพียงคู่แรกคู่ตาเนี่ตาถึงการเข้ากับรูปมันก็เกิดวิญญาณทางตาเรียกว่าจาักูุวิญญาณเนี่ยตาหนึ่งสองรูปสามจักูุวิญญาณเพราตากระทบรูปเกิดจักูุวิญญาณสามประการ น, นี่ทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะ ที่ผัสานี้มันยั ง, งโง่มันไม่มีการศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังอะไรมาเลยเป็นผัสสะของบุยรชนคนโง่เป็นผัผนนงงนนผสสะโง่มันก็เกิดเวทนางโง่ออกมาคือเวทนาสำหรับจะหลงรักหลงโกรธนะสุขเวทนาก็ยินดีทุกขเวทนาก็ยินร้ายเ ป, เป็นเวทนาสำหรับจะยินดีหรือยินร้าย ที่เวทนาโงท่ทีนี่เวทนาโง่เกิดแล้วมันก็ทำให้เกิดความอยากที่โง่ความอยากที่ไม่มีสติปัญญารวมอยู่ด้วยด้วยกับความอยากที่โง่นั่นเรียกว่าตัณหาบ้างโลภะบ้างแค่แต่จะเรียกมันก็เกิดตัณหาคือความอยากที่โง่เมื่อความอยากไปตามนั้นน่ะถ้าว่าน่ารักก็อยากได้หน่าเกลียดก็อยากตีให้ตาย ไอ้ความอยากนี่รุนแรงข้าวรุนแรงข้าวมันก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกอันที่สองคือมีตัวกู้ผู้อยากเนตรงนรี้รู้ให้ดีหัวใจพุทธศาสนาที่ว่าอนัตตาอนัตตามันไม่มีตัวตนแท้จริงตัวกูหรือตัวตนแท้จริงไม่ได้มีมันเพียงแต่เป็นผลิตผลของความอยากจะมีความรู้สึกอยากถึงที่สุดแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อยาก ก็เลยเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตัวนั้นแท้จริงเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งอย่างงูเขา่าพอมีตัวกูผู้อยากอย่างนี้แล้วมันก็ยึดเอาไอ้สิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นของกูแล้ก็มีตัวกูโดยสมบูรณ์เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูขึ้นมาโดยสมบูรณ์เรียกว่าพบเรียกว่าชาติได้เกิดมาจากท้องแม่ ย, ยังไม่มีพบชาติอันสมบูรณ์ จนกเด็กนั้นจะเกิดความรู้สึกมาถึงขั้นนี้มาถึงขั้นว่ามีตัวกูมีภพมีชาติแห่งตัวกูจึงจะเร ก, กว่าความเกิดนั้นสมบูรณ์แล้วมันก็ยึดเอาทุกอย่างเป็นของกูที่เป็นสุขก็ของกูที่เป็นทุกข์ก็ของกูอะไรก็ของกูที่น่ารักก็ของกูน่าเ ก, ก, กาลียดก็ของกูน่าโกรธก็ของกูน่ากลัวก็ของกูอะไรเป็นของกูไปหมดนี่เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะ ยุดไหว้ถือไหว้ซึ่งของนับ <c oughs> นี่เรื่องปฏิจสมบาทมีย่อๆ อ, อ, อย่างนี้ <c oughs> เป็นเรื่องอริยสัจที่ขยายเต็มที่ <c oughs> เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> โดยรายละเอียดศึกษ า, าไาว้ก็จะเป็นการดี มันมีความสาคัญอย่างยิ่งอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นความโง่ของคนนั่นเองสร้างขึ้นมาเองและโดยไม่รู้สึกตัวเรื <c oughs> ่องที่เกี่ยวกับความทุกข์นี้มันน่าหัวเลยค่ะมันสร้างขึ้นมาเองมันสร้างขึ้นมาเองด้วยความโง่ของตัวแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวนั่นในที่สุดมันก็ฆ่าตัว ตัวมันก็สําหรับเป็นทุกข์มีเกิดความรู้สึกตัวตนเหมือนอะไรมีความทุกข์เหมือนนั้นความรู้สึกว่าตัวคูของคูกเกิดเหมืออะไรมีความทุกข์เหมือนนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ทุกข์กันใหญ่เลยนี่มันน่าหัวตรงที่ว่ามันโง่สร้างขึ้นมาเองสําหรับตัวเองจะเป็นทุกข์แล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวเพื่อจําง่ายหรือกันลืมก็อยากจะเล่านิทานสั้นๆ ที่เลาาเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีคนโง่คนหนึ่ง <c oughs> มันเอาเครื่องเขียนสนะีมาเขียนเป็นรูปมานรูปยักษ์รูปมาน มึนมาพอมันเขียนเสร็จแล้วเหลือบดูมันก็กลัวมันก็กลัวถ้ามันเขียนรูปผีมันก็กลัวเขียนรูปยักษ์มันก็กลัวเขียนรูปมารนี่มันก็กลัวทั้งที่มันเขียนเองทั้งที่มันเขียนเองแต่พอมันมองดูแล้วมันลืมไปว่าเขียนเองแล้วมันก็กลัวที้มันเขียนต่อ มันเติมรายละเอียดลงไปชัดเข้าชัดเข้าแล้วดูก็ยิ่งกลัวยิ่งกลัวยิ่งกลั ว, ลว <c oughs> ที่ไปเขียนจนถึงที่สุดเป็นของจริงเหมือนของจริงที่สุดแล้วมันก็มองดูแล้วมันก็กลัวถึงที่สุดแล้วมันก็ตายมันกลัวจนตายเนี่ยคิดดูในชาติโง่มันทําขึ้นเองโดยไม่รู้สึกตัว โดยความโง่ของตัวแล้วก็ไม่รู้สึกตัวก็ได้ทําอะไรขึ้นแล้วมันก็ตายเพราไอ้สิ่งนี้คือเป็นทุกข์ถึงที่สุดเมื่อตัวกูของกูเจริญขึ้นไปถึงที่สุดเติมมันลงไปเรื่อยมีความรู้สึกประเภทโง่เขลาเป็นตัวกูของกูมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีความทุกข์ถึงที่สุดเรียกว่ามันตาย เรารู้ไว้ว่าว้าเรื่องความทุกข์นี่มันน่าหัวที่ว่ามันทําขึ้นเองมันสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็รับผลของมันเอง <c oughs> นี่มนุษย์ตอนนี้น่าสงสารไหมเกิดมาจากท้องแม่จิตใจเกลี้ยงไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาได้รับอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นข้าวเนี่ยมันก็ค่อยรู้สึกอร่อยไม่อร่อย คือย er ินดียินร้ายเน่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีความอยากไปตามความยินดียินร้ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันเกิดความรู้สึกว่ากูผู้อยากกู้ผู้อยากเนี่ยขึ้นมาตามความยินดียินร้ายเพิ่มขึ้นจนนักนาสูงสุดจนได้เป็นทุกข์ถึงที่สุดนี่ยพราะพอมีตัวกูแล้วมันก็ยึดถือนั่นนี่เป็นของกูมากอะไรอะไรในโลกจะถูกยึดถือเป็นของกู ว่าถูกสอนยึดถือมาตั้งแต่เล็กนู่นนี่ไม่ใช่ว่าจะจะเนรคุณผู้สอนแต่อยากจะบอกให้ร่วมเป็นการสอนผิดที่พ่อแม่พี่เลี้ยงอะไรก็ตามมันสอนเด็กทารกนั้นให้ให้เข้าใจว่าพ่อของกูแม่ของกูบ้านของกูเรือนของกูอะไรก็ของกูหมดหเด็กทารกนั้นได้รับคำสั่งสอน เรรู้จักยึดถือเป็นของคูแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นต่อมาก็ยึดถือใดเองมันมันมันมีความรู้สึกผิดแล้วมันก็ยึดถือใดเองเป็นของคูของคูตัวกูของคูตัวกูของคูจนบัดนี้จนเดียวนี้มีเท่าไหร่มีหนาแน่นเท่าไหร่และเป็นความทุกข์เท่าไหร่ก็ลองคิดดู <c oughs> มันมีเรื่องอเหตุปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อม ก็ตามแล้วแต่จะเรียกเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ถ้าไม่เกิดความยินดียินร้ายนะตะกี้พูดแล้วนะ่ะอยากจะใช้คําสั้นๆไงเงยินดียินร้ายถ้ายินดีก็เรียกว่าอภิชายินร้ายก็เรียกว่าโทมนัส ด, <c oughs> ดังนั้นในชีวิตคนธรรมดาสามัญมันจึงเต็มไปด้วยอภิชาและโทมนัสนื่นการปฏิบัติ ที่รัดกุมที่สุดก็คือนำออกเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสนำออกด้วยอะไรด้วยความรู้คือสติและสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนั่นคือความรู้ความรู้รู้อยู่อะไรเป็นอะไรนั่นะสัมปชัญญะ <c oughs> อะไรเข้ามาทางตาอา้าวสติะระลึกได้ทันควันว่า น, นั่นก็เป็นอารมณ์ที่เข้ามาทางตา ตามธรรมชาติมีสัมปชัญญะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองมันก็ไม่เกิดความยินดีนี่เรียกว่านําความยินดีออกในโลกออกเสร็จได้ด้วยมีสติสัมปชัญญะที่ทํามาในลักษณะตรงกันข้ามคือมาให้โกรธให้เกลียดให้กลัวก็มีสติสัมปชัญญะโอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั้นเองมันก็ไม่เกิดยินร้าย ไม่เกิดยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดความอยากไปตามความยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากไม่เกิดอุปาทานคือตัวกูผู้อยากมันเกิดพบเกิดชาติคือความเต็มเปี่ยมแห่งความรู้สึกว่าตัวกูมันไม่เกิดความยินดียินร้ายมันไม่เกิด ไอ้สิ่งเหงนั้นมันก็ไม่ไม่ไ ม, มาม า, าให้เป็นทุกข์ได้นะฉั้นถ้ามีสติสัมรชัญญะอย่างเพียงพอทุกขณะที่มีอะไรมาทางตาทางหูทางเจเกะหมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่มียินดียินร้ายนี่คือการเดินอยู่ในรอยของพระธรรมอย่างแท้จริงไม่เกคยยินดียินร้าย เนตามเวทนานั้นน่ะคือมีผัสสะที่มีสติสัมปชัญญะอัสสะไม่โง่ก็เวทนาก็ามไม่โง่ก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากที่โง่มันก็ไม่เกิดรูปาทานว่าตัวกูของกูมันก็เลยไม่เป็นทุกข์ยังไงฮเดี๋ยวนี้ปัญหามันก็มีอยู่ที่ว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะบางทีก็ไม่มีเสียเลยบางทีก็มีน้อยเกินไป บางทีก็มีช้าเกินไปไม่ทันแก่เหตุการณ์หรือเวลาจึงพยายามฝึกสติสัมปชัญญะให้มากให้เร็วสำหรับจะใช้ในขณะที่มีผัสสะมีผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้ผัสสะนั้นมันตื่นอยู่ในสติสัมปชัญญะ ก็ไม่คลอดเวทนาโงา่ทันหาโงา่ภาธานโง่มันก็เลยไม่มีความทุกข์นี่มันป้องกันไม่มีความทุกข์ <c oughs> เรื่องมันมีเท่านี้หัวใจของหมหาสติปัฏฐานสูตรมันมีประโยคสั้นๆว่าสัมปชาโนสติมาวินัยยะ โลกเกพิชาโทมนัสสังมีสติสัมปชัญญะนําอพิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้ <c oughs> ทาความยินดียินร้ายในโลกที่มีอยู่ในโลกตามธรรมดาโลกในจิตใจที่ยังเป็นโลกมันจะมียินดียินร้ายแล้วก็นําออกเสียได้คือไม่มันเกิดขึ้นมาได้ <c oughs> ก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดรูปาทานไม่เกิดภพเกิดชาติเป็นตัวกู้ มันไม่มีตัวกู้แล้วมันก็ไม่เอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นมาเป็นของกูมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเด <c oughs> ี๋ยวนี้มันมีอภิชาโทมันั <c oughs> ทางตา <c oughs> สวยไม่สวย <c oughs> ทางหูไพเราะไม่ไพเราะ <c oughs> ทางจมูกหอมหรือเหม็นทาง <c oughs> ลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อย ทางผิวหนังนิ่มนวลหือกระด้างทางจิตเนี่ยยินดีหรือยินร้ายมันเป็นคู่เป็นคู่ส่วนทางจิตเนี่ยคือความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายที่เป็นคู่คู่ความรู้สึกที่เป็นคู่ นั่นแหละสำหรับทำให้ยินดีหรือทำให้ยินร้ายมีมากมายหลายคู่หรือหลายสิบคู่ดูที่เคยเห็นให้รวบรวมไว้ได้ตั้งสามสิบเจ็ดคู่ความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์อย่างนี้ ความรู้สึกว่ายินดียินร้ายเนี่ยเป็นคู่แรกแหละเป็นคู่แรกยินดีคู่กับยินร้ายสุขหรือทุกข์ <c oughs> น่ารักหรือไม่น่ารักก็ <c oughs> เลยไปถึงความรู้สึกว่าได้หรือเสียได้มาหรือเสียไปแล้วก็แพ้หรือชนะกระทั่งเรื่องสุขทุกข์บุญบาปกระทั่งเรื่อง ความเป็นหญ่งความเป็นชายหล่ะนี้ให้เกิด ค, ความรู้สึกเป็นคู่ตรงกันข้ามคือเป็นบวกเป็นลบทั้งนั้นแม่ที่สุดแต่นรกและสวรรค์ก็เป็นเรื่องบ้าบอเป็นความรู้สึกบวกมีการรู้สึกลบอย่าให้ความรู้สึกคู่คู่เหล่านี้เข้ามาหลอกได้คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายในความรู้สึกที่เป็นแสดงผลออกมาเป็นคู่บวกหรือลบ ดังนั้นพระอาหารหันต์จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่มีความทุกข์เลยเพราะไม่มีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบในสิ่งใดมันไม่มีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบในจิตใจของพระอาหารหันต์ดังนั้นท่านจึงไม่มีความรู้สึกเป็นคู่คู่ใดๆหมด ไม่บวกไม่ลบไม่ p o สิ t i ี e ไม่เนกาติฟไม่ออพติมิสต์ไม่เพลสิมิสต์ไม่ไม่รู้สึกแต่ในง่ดีไม่รู้สึกแต่ในง่ร้ายที่เป็นคู่ทั้งหลายแล้วก็ไม่มีเนี่กาอยู่ตรงกลางเป็นตัวพุทธศาสนาแท้คืออยู่ตรงกลางไม่ใช่อันนี้หรืออันนั้น ไม่ใช่อันอื่นหรืออันนี้ไม่ใช่ทำเองหรือคนอื่นทำอะไรซึ่งมันเป็นคู่เวียงสุดตรงเป็นคู่คู่มันไม่มีมันมีแต่อยู่ตรงกลาง <c oughs> ไม่ดีแต่ชั่วนี่ก็อยู่ตรงกลางถ้าดีมันก็ให้เกิดความรักความหลงไหลถ้าชั่วให้เกิดความผัดแค้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอยู่ระหว่างตรงกลางไม่ดีไม่ชั่วอะไะ แต่เขาเรียกอีกทีว่าอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วที่นี่ในโลกนี่มันเต็มไปด้วยของเป็นคู่คู่อย่างนี้แต่ท่านยกตัวอย่างมาเพียงคู่เดียวว่าอภิชาและโทมนัสความยินดียิยนร้าย <c oughs> มันก็โทษใครไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติมันสร้างมาแล้วเรามีตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่สําหรับรับรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะธรรมารม์ พอสิ่งเหล่านี้เข้ามามันก็เข้ามาสร้างความรู้สึกที่เป็นคู่ข้างใดข้างหนึ่งตามเรื่องของมันแล้วก็สูญเสียความอยู่ตรงกลางจิตเดิมที่เคยอยู่ตรงกลางก็สูญเสียไปก็ไปเวียงไปข้างซ้ายเป็นอภิชาเวียงไปข้างขวาเป็นโทมนัสแล้วแต่เวียงไปทางนี้เปียกแฉะเวียงไปทางโน้นก็ไม้เกลียม ไม่อยู่ตรงกลางนี่เนี่ยจิตใจชนิดที่รักษาไว้ไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นอภิชาลัโทมนต์แล้วก็ต้องมีความทุกข <c oughs> ์ท่านจึงสอนไว้สั้นที่สุดเป็นหัวใจของมหาสติปัฏฐานว่ามีสติสมัชัญญะานำอภิชาลัโทมนต์ในโลกออกเสียได้ประโยคนี้ขอย้ำสิผลเ <c oughs> ขาใจว่าคงจะจำกันแม่นยำทุกคน ว่มีสติสัมปชัญญะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี่คือรอยของพระธรรมเมืม่อไม่เกิดยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาปาทานอะไรได้ก็ไม่มีความทุกข์ที่พูดถึงหลักอรอยิยมรรคมีองค์แปดนั่นแหะเป็นหลักการบำเพ็ญมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ เพื่อมีสติสมัมปชัญญะเพื่อไม่ยินดียินร้าย <c oughs> หรือว่าถ้ามันรู้สึกไม่ยินดียินร้ายได้มันก็เป็นความถูกจ้องครบทั้งแปดองค์เหละคนที่มายินดียินร้ายคือคนมีส ม, มาทิฐิมีส ม, มาสังขปะมีส ม, มาวาจามีส ม, มากรรมตะมีส ม, มาอาชีวะสมวายามะาสติส ม, มาธิ ความถูกต้องแปดประการนี่กระจายออกไปกระจายออกไปจากคำว่านามพิจารณโทมัตออกจะได้กระจายออไปให้เป็นข้อปฏิบัติเห็นชัด ง, ง่ายๆแบบแปดอย่างเป็นความถูกต้องเรายังมีความถูกต้องแห่งความคิดเห็นความคิดคำเห็นความรู้ความเชื่อเี่ยรวมเรียกว่าสมาธิเราก็มีความปรารถนาที่ถูกต้อง คือส ม, มาสังคปะจะมีการพุทธาถูกต้องส ม, มาวาจาการกระทาการงานที่ถูกต้องเรียกว่าส ม, มากมินตะดารงชีวิตถูกต้องเรียกว่าส ม, มาอาชีวะพยายามอยู่ในทางถูกต้องเรียกว่าส ม, มาวายามะกำหนดสติอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าส ม, มาสติ ตัดใจมั่นอยู่ในความถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าสมาสมาธิเรียกว่าทางสายกลางเมื่อเดินอยู่ในแปดองนี้แล้วมันก็ไม่เอียงซ้ายหรือเอียงขวาไม่เป็นกามสุขันธ์หกานิโยคคือจมอยู่ในกามไม่เป็นอัตตะกิลมัทานนิยโยคไปหลงทําลายอวัยวะเป็นที่ตั้ง เป็นที่รับอารมณ์ให้พีิพนาฏไปเสีย <c oughs> เรียกอย่างอื่นเรียกว่าอาคารละหะคือเปียกแะกับนิจชามะคือไม่เกลี้ยมอย่ามีชีวิตชนิดที่เปียกแฉกอย่ามีชีวิตชนิดที่ไม่เกลี้ยมแต่อยู่ตรงกลาง เป็นความถูกต้องทั้งแปดประการอย่างที่กล่าวแล้วนี่ก็คือร้อยของพระธรรมที่ขยายออกไปจากประโยคสั้นๆประโยคแรกว่ามีสติสมัมปชัญญะในอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้มีความถูกต้องทั้งแปดประการนั้นหากครบถ้วนอยู่เป็นตัวชีวิตจิตใจ นี่คือดำรงตนอยู่ในมัชชิมาปฏิปทาเดินตามรอยทางเก่ารอยทางเก่าที่พระอริยเจ้าได้เดินไปแล้วได้เดินไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยไว้ให้คนข้างหลังเราจึงเดินไปตามทางเก่านั่นซึ่งบุคคลเดินไปแล้วไม่นับไม่ไหวนับไม่ท้วนะเป็นพระอราหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอราหันต์เป็นอริยบุคคลกันนับไม่ท้วน สำหรับเราจะได้เดินตามไปแกะรอยแล้วก็เดินตามไปปฏิบัติอย่างรัดสั้นที่สุดก็คือมีสติสัมปชัญญะไม่ให้พิชชาและเทมนั์เกิดขึ้นจึงอยู่ในความถูกต้องทั้งแปดประการที่เรียกว่าอัฏฐานกิกรรมะทีนี่ก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งถือว่าทําอย่างไรจะมีสติสัมปชัญญะ ก็ต้องฝึกเท่นั้นแหะมันไม่มีทางอื่นฮะให้ฝึกอย่างที่เขาเรียกกันว่าฝึกวิปัสสนาฝึกกรรมฐานนั่นแหละถ้าทําไปอย่างถูกต้องไม่งมงายไม่งมงายเพราะมัน ม, มีมีการงมงายได้ถ้าทําไปอย่างถูกต้องไม่งมงายมันจะเพิ่มมีสติสัมปชัญญะมันยกตัวอย่างเช่นอนาปานาสติ สาอ่หขั้นสหมวดหมวดละอ่าสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นกําหนดลมหายใจยาวกําหนดลมหายใจสั้นกําหนดความที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายแล้วก็บรรเทาไอการปรุงแต่งนั้นให้ลดลงนี่เรียสี่ขั้นกําหนดลมหายใจยาวขั้นหนึ่งกำหนดลมหายใจสั้น แล้วรู้ว่าลมหายใจนี้ปรุงแต่งกายคือเนื้อหนังนีแล้วก็รู้จักทำให้การปรุงแต่งนั้นลดกำลังลงเสียคือจิตใจสงบรงงับจนเป็นสมาธินี่ฝึกก็จะมันจะมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งสัมปชัญญะทั้งปัญญาเริ่มต้นในขั้นเริ่มต้นการที่ จะกําหนดอะไรได้นั่นอ่ะมันต้องมีสติถ้าเรากําหนดอะไรได้ก็เท่ากับทําให้มีสติเพราะฉะนั้นฝึกการกําหนดอะไรได้คือการฝึกมีสตินั่นเองนี่เขาให้ฝึกชนิดที่ว่ามีสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ม, ม, ม, ม, ม, มีกรรมฐานมีมากแต่กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงเสนอเสิรนนะก็คืออานาปานสติอย่างที่ว่านี่สิบหกขั้นนี่ พระองค์เองก็ได้ทรงบํเาเพ็ญอนนาภานสติจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ อ, อขั้นทำให้การปรุงแต่งร่างกายเนะี่ยคือคือคือบรรเทาการปรุงแต่งของลมหายใจปรุงแต่งร่างกายจะได้ก็มีสมาธิเป็นสมาธิเป็นผลของขั้นที่สี่ในในสมาธินั้นนะมันมีความรู้สึกที่เป็นปีติแลือเป็นสุข กำหนดปีติว่าเป็นอย่างไรกําหนดความสุขว่าเป็นอย่างไ ร, งไรแล้วกําหนดรู้ว่าทั้งสองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตแล้วก็บรรเทากําลังปรุงแต่งของสิ่งทั้งสองนี้เสียเียจิตก็ลำงับลงรำงับล ง, ง, บลงมีหมวดเวทนามีอยู่สี่ขั้น <c oughs> มีหมวดที่สามก็เรื่องจิตด้วย ดูว่าจิตกําลังเป็นอย่างไรเในกี่อย่างก็ตามอืแล้วก็บาฝึกบังคับจิตให้ยินดีพอใจทำมาปีติในธรรมแล้วฝึกจิตให้ตั้งมั่นเข็มแข็งอแล้วฝึกจิตให้ปล่อยสิ่งที่เข้ามายึดถือปล่อยจิตจากสิ่งที่ยึดถือปล่อยสิ่งที่ยึดถือจากจิตแั่นแต่จะเรียกได้ทั้งนั้นแหละ ตอนนี้เข้มแข็งมากจนบังคับจิตได้แล้วสติก็ก็เ ก, ก, กินพอใช่นะค <c oughs> อันอันสุดท้ายเป็นหมวดที่สี่กำหนดอนิจจังความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงดูข้างในอย่าดูข้างนอกถ้าหลักธรรมะแล้วมันจะไม่กําหนดสิ่งที่มีอยู่ข้างนอกจะ ก, กําหนดอนิจจังก็กําหนดสิ่งที่มีอยู่ข้างใน ดังนั้นจึงย้อนกลับมากําหนดลมหายใจยาวลมหายใจสั้นกายปรุงแต่งกายอะไรระงับกายสังขาร <c oughs> ที่นี้กําหนดลมหายใจยาวก็เพื่อจะดูความไม่เที่ยงของมันกําหนดลมหายใจสั้นก็จะเพื่อดูความไม่เที่ยงของมันดูความที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายก็เพียงแต่จะดูความไม่เที่ยงของมัน ดูความที่ร่างกายเํางับลงเรางับลงก็ก็จะดูความไม่เที่ยงของมันดูปีติก็มม ด, bottle, ดูความไม่เที่ยงของมันดูความสุขก็ดูความไม่เที่ยงของมันดูข TION, ้อที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตก็ดู ค, ค, ความไม่เที่ยงของมันดูความที่จิตเ <cond ition nel> ํางับลงก็ดูความไม่เที่ยงของมันจนนี้มาดูจิตเองจิตอย่างนี้ก็ดูเห็นความไม่เที่ยงจิตอย่างนั่นก็ความเห็นความไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยงของจิตที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างนั้นอย่างนั้นทั้งทุกชนิดนะฮะแจิตที่ยินดีมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ปล่อยก็ไม่เที่ยงมันเห็นความไม่เที่ยงรุนแรงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งของปีติและสุขมันจึงละความพอใจความไม่พอใจจะได้ ท่านเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วจิตก็คลายตัวจากความยึดถือเรียกว่าวิราคะกําหนดวิราคะทีหนึ่งทั้งคลายคลายคลายไปก็ดับหมดแห่งตั ว, ต, วตัวตัวตวนหรือความยึดถือเรียกว่านิโรธะก็กําหนดนิโรธะอีกทีหนึ่งในที่สุดก็กําหนดปฏินิสัคคะคือว่าอ้าวเดี๋ยวนี้สลัดคืนแล้วสลัดคืนแล้ ว, ส ล, ลวสลัดความยึดถือ หรือสิ่งที่เคยยึดถือออกไปแล้วเรียกว่ากำหนดปฏินิสสัขขะแะได้เป็น4หมวดหมวดและสี่ขั้นเรียกว่าสี่หขั้นนี้เรียกวาอนาปานาสติเ <c oughs> มื่อฝึกอนาปานาสติแล้วจะมีสติที่สมบูรณ์มากเลยเร็วพอแล้วยังให้เกิดปัญญาตัดกิเลสตัณหาพร้อมกันไปในตัวในในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในระบบนี้ในระบบอนาปานาสติ ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเลื่อนระบบอื่นไม่ต้องเปลี่ยนเป็นระบบอื่นเพียงระบบอนาปาณสติระบบเดียวก็จะทำได้ตั้งแต่ต้นจนถึงบรรลุพระอรหันต์นนแล้วรู <c oughs> ้ว่ารู้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เรื่องของการฝึกให้มีสตินั้นเพียงแต่หัดกำหนดลมหายใจยาวลมหายใจสั้นให้อยู่ในอำนาจได้ก็มีการฝึกสติโคอยู่เพียงพออยู่มากเหมือนกัน มันจะเกิดนิสัยว่ามันต้องรู้สึกตัวในสิ่งนั้นนั้นอยู่ก่อนแต่ที่จะมีความคิดนึกใดๆพลมหาศาลมันเกิดขึ้นว่าจะเกิดนิสัยใหม่ที่ว่ามันจะต้องรู้สึกตัวก่อนแต่ที่จะคิดจะพูดจะทาอะไรจะต้องรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอนี่ประโยชน์อานิสงส์ของความมีสติ เมื่อรู้เป็นอย่างไรแล้วกําหนดไว้กําหนดไว้นั่นจะกับสัมปชัญญะกําหนดอยู่คือรู้ตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วกําหนดไว้เมื่อกําหนดอยู่อย่างนี้มันก็ทําอะไรผิดไม่ได้ที่ว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ <c oughs> นั่นคือสัมปชัญญะเดี๋ยวนี้ความรู้สึกตัวนั่นแหละมากลายเป็นชีวิตนี่ไปแล้ว ชีวิตนี่เต็มไปได้วยความรู้สึกตัวดำเนินชีวิตอยู่ในความรู้สึกตัวทุกวินาทีทุกกระเบียดนิว้วมันเต็มอยู่ในความรู้สึกตัวมันเกิดมีชีวิตชนิดที่รู้สึกตัวอยู่เสมอคาฝรังมีอยู่คำหนึ่งที่เขาเขาแปลได้ถูกต้องดีคือ awareness มีความรู้สึกอยู่ตามที่ความจริงนั้นมันเป็นอย่างไรมีความรู้สึกในความจริงนั่นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างนี้ชีวิตเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันทำผิดอะไรไม่ได้ต่อไปมันยินดียินร้ายในอะไรไม่ได้ต่อไปเพราะมันมีสติสมัญญา คอยป้องกันว่าได้ทันท่วงทีตามหลักบาลีที่ว่านำอภิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้นี่ขอย้ำประโยคนี้สิบครั้งว่ามีสติสำเภาชัญญะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้พ้าเรามีตาหูจหมูกลิ้นกายใจมันช่วยไม่ได้ที่จะไม่อะไรเข้ามา ถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้ <c oughs> มันทำได้แต่ว่าถ้ามันเข้ามาถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ให้ต่อสู้หรือตอนรับในลักษณะอย่างที่ว่าคือมีสติสัมปชัญญะทันในขณะแหงัสะไม่เกิดเวทนาโง่ก็ไม่เกิดทันหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดพบเกิดชาติไม่เกิดความทุกข์ใดๆนี่เรียกว่า รอยของพระธรรมจะเรียกว่าการเดินตามทางเก่าเดินตามรอยทางเก่าคือรอยพระธรรมเป็นทางเดินเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเดินไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเดินไปแล้วพระอริยบุคคลทั้งหลายเดินไปแล้วคือพูดเพียงเท่านี้ข อ, อยืนยันว่าจบเรื่องแม้จะโดยย่อพูดเพียงเท่านี้มันจบเรื่องทั้งหมด แต่ว่ามันเป็นการพูดโดยย่อในเวลาจำกัดแต่เมื่อใครจะขยายความอธิบายมากออกไปเท่าไรเท่าไรมันก็ยังอยู่ในขอบเขตเพียงเท่านี้ <c oughs> มีสติสัมปชัญญะนำอภิชาลัยโทมนัสในโลกออกจะได้ห <c oughs> <c oughs> วังว่าทีสิทธิ์นักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย <c oughs> จะได้กำหนดจดจำ ใจความสำคัญดังที่ได้บรรยายมาแล้วนี้ว่าเราพูดกันถึงเรื่องรอยของพระธรรมดำเนินชีวิตยอยู่ในรอยของพระธรรมมีสติสัมปชัญญะนำอภิชาละโทมนัสในโลกออกจะได้เสร็จ แ, แล้วมีมีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องแปดประการที่เรียกว่าอริยมรรคในองค์ปดึงเป็นตัวปรุมาจันรือเป็นตัวพุทธศาสนา มันก็เป็นการดับทุกข์เป็นชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์แม้จะมีอะไรมากระทบมันก็ถูกทำให้กลับไปให้ทุกขให้กลับไปไม่ไม่มาทำจิตใจให้เป็นทุกข์เหมือนวนคลื่นในทะเลมันก่อตัวขึ้นมาแล้วมันมาตายที่ฝั่งเท่านั้น ขื้นทุกลูกมาตายที่ฟังทั้งนั้นนอะไรอะไรที่มันจะก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในจิตใจในชีวิตนี่คอยมันมาตายที่ฟังคือสติสัมปชัญญะชนิดทินนามอภิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้เรื่องก็มีเท่านี้นี่การบรรยายนี่ <c oughs> เรียกสั้นๆว่าเรื่องรอยของพระธรรมเมืองวาท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยสามารถที่จะแกะรอยพระธรรมดำเนินชีวิตในเป็นไปตามรอยของพระธรรมตามรอยตามหลังพระพุทธเจ้าหรือพระอราหันต์หรือพระอริยบุคคลไปตามลำดับ มีความสุขสวัสดีอยู่ในโลกนี้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าจะเป็นคนที่เต็มอยู่ทุกทิพาราตีการเทิน